เรักของเราเป็นเพลงสักเพลงหนึ่งใช่เรื่องของเราเขียนเพลงสักเพลงหนึ่งเธอบอกความรักของคู่เรานั้นน่าจะเป็นเพลงแบบไหนความรักมันคือโลกที่สวยงาม หรือเป็นอะไรที่ดูช่างยิ่งใหญ่เท่ากับท้องฟ้าเท่ากับภูเขาเท่ากับทะเลหรอต้องมาแค่ไหนฉันว่าฉันเพิ่งได้รู้คำตอบว่ารักของฉันคืออะไรมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆที่คาดไปไม่ได้อ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 เธอและฉันก็เข้าใจความหมายที่ซ่อนใน